พวกเราได้ธรรมะเช้านะธรรมะเชา้านี่นอกจากเป็นการกล่าวระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราเราก็จะได้เรียนรู้ธรรมะนะที่อยู่ในบทสวดมนต์ด้วยนะนะเราอ่านวันนี้วันแรกนะอาจจะจำไม่ค่อยได้มากนะแต่ถ้าเราอ่าน บ่อยๆนะขวดบ่อยๆมันจะเป็นตัวเตือนเราว่าธรรมะที่พระเจ้า ส, สอนมันคืออะไรนะสอนปฏิบัติไปแล้วก็จุดหมายเพื่ออะไรนะพระเจ้า ส, สอนไว้สอนแล้วก็ท่านบอกว่าจุดหมายในการปฏิบัติเนี่เหมือนตอนท้ายบทสวด น, นะนะก็จะบอกว่าอย่างของโยมนะก็ ขอให้การปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งที่ น, นี้เถิดใช่ไหมนี่ท่านสรุปให้เราเลยว่าการปฏิบัตินั้นๆก็คือทุกการกระทำในชีวิตของเราเนะี่ยขอให้เป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งที่ น, นี้เถินแต่เราเคยคิดแบบนี้ไหมบางทีท่านผู้เจ้าก็ตั้งคำถามนะแบบ ทำเช่นไหนกนะารทาที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ท่านสรุปแบบนี้ทั้งหมดเลยว่าจุดหมายจริงๆของการปฏิบัติซื่งเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะสิ้นทุกขนะ์หรือว่าการจะทำทั้งหลายของเราจุดหมายเพื่อความสิ้นทุกข์นะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะถ้าเราทำอะไรแล้วก็หวังอย่างอื่นเนี่ย บางทีมันก็มันไม่ใช่ความที่ทุกข์จริงๆเนาะมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่เหมือนเราเราก็ลองทบทวนดูบางทีบางคนเนาะคนไทยหลายคนเราไปทำบุญนะไปทาบุญไปใส่บาทไปถวายสังฆทานไปอะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งที่เราอธิษฐานเนะีนะ่ยเราก็มักอธิษฐานเช่น ขอให้เราได้ถูกหวยขอให้เราได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะขอให้เราได้รวยขึ้น <c oughs> ใช่ั้มเราอาจจะคิดว่าการที่เรามีเงินเยอะขึ้นหรือการที่เรามีตำแหน่งอ่ที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะทาให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะ การที่เรามีเงินมากขึ้นก็จริงหรือว่าตำแหน่งสูงขึ้นนี่ก็อาจจะทำให้เรามีความสบายขึ้นบางอย่างแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะคนที่เขารวยกว่าเราเนี่ยก็หลายคนนะก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขจริงๆใช่ไหมหลายคนนะถูกหวยก็เพื่อนก็มาหาถูกรตตอรี่เนี่ยก็มีคนมาขอญาตพี่น้อง จะทางไกลขนาดไหนก็ไม่รู้ก็มามาหาเนียใช่ว่าจะมีความสุขจริงๆมีตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นก็มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นก็มีลูกน้องมากขึ้นก็ปวดหัวมากขึ้นงานก็เยอะขึ้นอาจจะนอนไม่เคยดับไม่เคยสบายเหมือนแต่ก่อนมีมีคนจีนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะเขาเป็นหมอเป็นหมอแผน แผนท้งเลือกนะที่ประเทศจีนแล้วเขาก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละก็มีมีเพื่อนมีเพื่อนเขานะมาปรึกษาเพราะว่าเป็นโรคนอนไม่ดับนอนไม่หลับมาหลายปีแล้วกินยานอนดับนะก็เริ่มกินยานอนดับตั้งแต่ปริมาณ น, น้อยๆจนตอนนี้กินวันหนึ่งเป็นสิบเม็ดนะกว่าจะดับนะแต่ก็ดับได้เพียงแค่ ไม่นานนะักนะสองสามชั่วโมงแล้วก็ตื่นนะเขาเขาก็ทุกข์ใจมากนะเป็นคนรวยมีโรงงานนะประมาณสิบโรงงานได้นะไม่รู้ทําอะไรบ้างเขาก็ไม่อธิบายนะก็กุ้มใจเพราะความนอนไม่หลับนะแต่ก่อนก็กินยาในน้อยตอนหลังก็กินยามากขึ้นตอนนี้ก็เหมือนคล้ายๆมิดือด้อยานะกินยามากขนาดนี้ก็ยังนอนไม่ค่อยหลับก็เลย คิดถึงเพื่อนที่เป็นหมอหมอแผนทางเลือกตัวเนี้ยก็เลยมาหานเพราะว่าไปหาหมอแผนปัจจุบันไปหาหมอที่อึดก็เยอะแล้วก็ไม่หายทักทีเขาก็เลยมาหาเพื่อ น, นเพื่อนก็ต้องฟังแล้วก็เพื่อนก็ให้ยาอให้ยาเลยเพื่อนบอกว่า ให้ขายลงงานทิ้งซะทำได้ไหมต่แรกก็ไม่ให้บอกว่าขายที่อถามว่าสมมุติถ้าไม่ทำงานแล้วเนี่ยจะมีเงินใช้จะมีเงินพอใช้หรือเปล่าเขาบอกประมาณติบชาติจะใช้ไม่หมดเขาบอกนะ <c oughs> นั้นเพื่อนก็เลยแนะนำว่านขายลรงงานทิ้งซะปรากฏว่าเฮ้ยเรามาหาแกเนี่ยมาเอายานะไม่ใช่มา บอกให้แก้ไขแนะนำให้เราขายโรงงานนะหมอก็บอกว่าอันนี้แหละคือยาอันนี้แหละคือยาคืออะไรจำได้ไหมตอนที่ยังไม่มีโรงงานเน่ะมันนอนดับดีใช่ไหมแต่พอเริ่มมีโรงงานโรงงานแรกเนี่ยเริ่มกินยาเม็ดแรกใช่ไหม ừ, พอเริ่มมีสองโรงงานก็เริ่มกินสองเม็ดพอเริ่มมีสามโรงงานก็เริ่มเป็นสามเม็ดน เพราะว่าความเครียดในการทำงานมันสูงขึ้นตอนนี้มีสิบโรงงานแล้วกินยาเป็นสิบเม็ดนะั่นแหละยานอนดับนะก็ยังนอนไม่ค่อยหลับไม่ขายโรงงานทิ้งเถอะนะถ้าอยากจะนอนดับเพื่อนหมอบอกว่า น, ะนี่แหละคือยาที่เราจะให้ไม่ได้มียาส ม, มุนไพรอะไรอย่างอื่นให้หรอกแต่เศรษฐีคนนี้ก็แบบผิดหวังเอ้ยไม่มาเอายา ไม่ใช่บอกให้มามาขอคําแนะนําเขาก็กลับไปนะเขาก็มีกลับไปเขาก็ไม่ทําตามจะไม่ทําตามแล้วหมอคนนี้ก็ได้ข่าวว่าอีกประมาณสี่ห้าปีาเพื่อนคนนี้ก็เขาฆ่าตัวตายค่าตัวตายเพราะว่าเนี่ยแหละมันก็คงทรมานกับชีวิตแหละเนียนอนไม่หลับเนอพอนอนไม่หลับอย่างอื่นมันก็แย่ตายไปด้วยเนาะน แบบนี้ี่หน่อยวันลนะสองสามชั่วโมงเนะอย่างอื่นก็แย่ไปอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างสุดโต่หน่อยนะสําหรับบางคนที่ที่แบบฐานะดีการงานเยอะนะมีเงินเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้ชีวิตเขามีความสุขจริงๆเนาะอันนี้ไอเป็นสุดโต่แต่บางคนที่ฐานะดีมีความสุขเออทุกไม่ใค่มากก็มีเหมือนกันก็มี แต่ที่อยากจะไม่เห็นก็คือว่าบางทีเราคิดว่าการที่เรามีเงินมากมันจะทำให้เรามันเท่ากับว่าความสุขมันไม่ใช่หรือเท่ากับว่าเราจะไม่ทุกข์แล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองมันกลายเป็นเราตอนนี้เราเป็นแบบนี้ต่อไปเรารวยขึ้นก็ไม่แน่ว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นหรือทุกข์น้อยลง อันนั้นบางทีถ้าเราเห็นว่าบางทีถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะเราหวังเราก็หวังว่าอยากจะได้อย่างอื่ น, นเพื่อคิดว่าอย่างอื่นนั้นมันจะนำมาตึ้งความสุขในชีวิตของเราหรือนำมาตึ่งความไม่ทุกข์ในชีวิตของเราบางทีมันไม่แน่นะการที่เราคิดว่าจะได้อย่างนี้แล้วมันจะนำไปสู่อย่างนั้ น, น, ม, นมันยาก พระพุเจ้าก็เลยบอกว่าที่จริงมันทางตรงๆเลยนะทาการกระทำนั้นๆของเราทั้งหลายเนี่ยจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถินเนี่ยการจระทำนั้นๆในตอนนี้แหละมาทำให้เราทิ้นทุกข์ในตอนนี้ได้เลยถ้าเราทำถูกถ้าเราวางใจถูกอะไรมาจะพูดให้ฟังนะอะเข้าใจไม่เข้าใจโยมก็ค่อยกลับไปคิดพิจารณาดูเอา อย่างเช่นเราทำทานนะเรา ท, ทาทานเนี่ยทานแปลว่าการสละออกไปทานแปลว่าสละบริจาคสละออกไปไม่ใช่เราทำทานเพื่อจะได้อะไรกลับมาถ้าเราทำทานเพื่อหวังจะได้อะไรกลับมาเนี่ยมันมันคล้ายๆทำเพื่อจะเอาเนาะเราให้อะไรเขาไปาก็หวังว่าเขาจะให้อะไรเรากลับมาเนี่ย เราเรียวเหมือนเราทำทานเจือริบความโลภนะถ้าคนโบราณนะหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟัง ว, ว่ามพศีพาติบโบราณคนอคีสานเขาบอกว่าทานสิบทานหาให้ขึ้นเทวะนะให้ทานสิบทานหาให้ขึ้นเทวาบนท่านฟ้าย่อนๆนั่นคือคิดว่าทำบุญเนาะทำบุญทำทานเนาะห้าบาทสิบบาทก็จะได้ขึ้นไปสวรรค์อยู่บนชั้นฟ้านะ ชั้นฟ้าก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะก็ทำทานเพื่อหวังจะไปสวรรค์ถามว่าก็ดีไหมก็ดีแต่แต่แตรอไปสวรรค์ตอนตายมั <c oughs> ่งตอไปสวรรค์ตอนตายมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังมีเจือด้วยกิเลสคิดว่าคิดว่าบนสวรรค์นเนี่ยจะมีความสุขกว่าโลกมนุษย์ <c oughs> แต่พวกเราถึงไหม เทวดานางฟ้านะตอนเขาเจะตายเนี่ยเขาอวยพรกันว่าให้ไปเกิดเป็นโลกมนุษย์เด้อแต่คนเรานะเวลาคนตายนะให้ไปเกิดบนสวรรค์กลับกันนะ <c oughs> เทวดานางฟ้าทําไมเขาอวยพรกันว่า ถ, ถ, ถ้าใกล้จะตายเนะี่ยให้มาเกิดเป็นโลกมนุษย์เพราะว่าเขาเห็นว่าสวรรค์เนี่ยมันมีแต่อะไรที่มันสบายไปทุกอย่างแต่มันก็ทําให้ คล้ายๆธรรมะมันไม่เจริญธรรมะไม่เจริญก็คือว่ามันยังไม่พ้นทุกข์ทีมันเหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนคนเอาง่ายๆนะเหมือนคนรวยสบายทุกอย่างแต่ก็สบายมากๆ ม, มีอะไรทุกอย่างมากแต่สิ่งที่ขาดจริงๆมันก็ยังไม่สบายใจจริงๆมันจะเป็นความแค่สบายทางกายนะแต่ใจเองก็ยังแบบมีความทุกข์อยู่ นั้นเทวดานางฟ้าเวลาเขาจะตายเขาเอยพรที่เกิดเป็นมบบเป็นมนุษย์เพราะว่าอะไรเขาพิจารณาแล้วว่าฮโรกมนุษย์เนี่ยมันพอดีอสุขมันก็พอมีทุกข์มันก็พอมีถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมาเรียนรู้ที่โลกมนุษย์อ่ยมันดีที่สุดเพราะว่ามันคล้ายๆมันพอดีชีวิตมันมีความไม่เที่ยงให้เห็นบ่อยๆชีวิตมันมีความ ไม่แน่นอนบังคับไม่ได้บ่อยๆนะชีวิตมีความทุกข์ให้เราต้องบีบคั้นต้องพยายามดิ้นรนออกจากความทุกข์ให้เห็นบ่อยๆนะชีวิตแบบนี้นะคนที่มีปัญญามองแล้วมันดีมันไม่ได้ดทุกข์มากๆแบบนรกเนี่ยรกก็นะกาจจะทุกข์มากจนไม่ลืมหูลืมตาเนาะนะสะวรรค์ก็สบายมากจนกระทั่งดืมตัวแต่โลกมนุษย์เนี่ย มีสุขมีทุกข์าข้าเคือกันไปแต่เป็นที่ที่เหมาะในการเจริญในธรรมมากที่สุดเนประมาไม่ได้พูดเองนะเนะในตําราใ น, นในหนังสือครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าไว้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้อย่างนี้นะว่ามันเป็นแบบนี้เนีที่จริงเน่ยถ้าเราเข้าใจนะเนะการทําทานก็คือสระทนะทําไมพระเวสสันดรท่าน ถึงสะดาเนะ่ยสะดาสิ่งต่างๆออกไปในชีวิตสะดาทรัพย์สินเงินทองเนาะออกไปอยู่ป่าสะดาลูกสะดาเมียให้ชูชกเราต้องสะดาแบบท่านไหมอาจจะไม่ใช่ว่าต้องสะาลูกสะดาเมียไปให้ชูชกขอทานนะแต่ที่จริงหลวงพ่อเทียนท่านตรีความว่าถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับคล้ายๆ ลกเมียนะเหมือนเหมือนสิ่งที่เรายึดติดผูกพันนะเราสะละความยึดติดความผูกพันนั้นไปนะเราจะได้ไมีทุกข์นะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทําหน้าที่นะเอนะคนมีลูกก็ต้องทําหน้าที่ดูแลลูกมีสามีภรรยาก็ต้องดูแลกันแต่คําว่าความยึดติดผูกพันก็คือว่า อะไรที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นทุกข์อ่ะให้วางพอนซะใช่เช่นถ้าวันหนึ่งเนาะปัญญาเราต้องตายมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นธรรมชาติที่เขาต้องตายใช่ไหมถ้าเราไปยึดว่าไม่อยากให้เขาตายต้องทําให้มันยื้อชีวิตถึงที่สุดเนี่ยถ้ามันยื้อไม่ได้มันทุกข์นะใช่ไหมอืมมันก็ต้องปล่อยมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบเนี้แหละนะวันหนึ่งที่ลูกเราอ่ะ สมมติลูกเราบางคนอาจจะเสียคนเราก็สอนเต็มที่แล้วเราก็ดูแลเต็มที่แล้วแต่ถ้ามันยังจะเสียคนอยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วแบบนะเนี่ยมันคือความรักเนาะความรักลูกสามีภรรยาพ่อแม่ต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเป็นความรักที่เนี่ยเป็นความยึดมั่นถือมั่น มันก็เป็นความทุกข์ได้เพราะเปสนสันดอนทสดะตรงนี้นะแต่ในอุปมาอุปไมยก็เหมือนสะระตัณหาชาดีออกไปยิงกัณหาก็คือตัณหาสะระตัณหาออกออกไปจากจิตใจนะถึงจะเบาสบายนะเนี่ยถ้าโยมทําทานนะอย่าไปอธิษฐานแบบอยากได้นั่นอยากได้นี่นะทาทานแบบนั้นนะมันเหมือนทําแบบ ขอทำแบบขอทานแบบขอทานอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบเฉยนะไม่ได้ว่าเขาไม่ดีแย่ขนาดนั้นแต่มันหนวดคล้ายๆสมมติคนร้องเพลงนะก็หวังว่าเสียงเพลงของเราพวกเพลงข้างถนนนะที่เสียงเพลงของเราจะทำให้คนให้เงินเราที่อินเดียเน่ะเจอเยอะเลยนะมี ขอทานบางทีก็มีหลากหลายวิธีนะร้องเพลงเล่นเครื่องสายเล่นน้อ ย, อยแล้วก็ขอตังค์นะพอเราไม่ให้เงินก็โวยวายก็ตือ้อ <c ười> คือนะ่ยทำเพื่อหวังจะได้นะไม่ใด้ทําด้วยความสุขนะแต่ถ้าร้องเพลงด้วยความสุขใจสบายใจใจไม่คิดว่าเขาจะให้หรือเปล่าให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีนะสบายใจมีความสุขในการทนะําเนี่ย ใจก็สบายนะได้ก็ดีได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนะี่ยเนี่ยมันต่างกันนะหลายคนทําบุญทาทานแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้รวยเราจะได้หน้าที่การงานสูงขึ้นถ้าเราคิดว่าพวกนั้นมันทาให้เราไม่ทุกข์นะเราก็เตรียมตัวจะปิดหวังเลยว่ามันมีแล้วมันก็มีความทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละ ไม่ใช่ว่ามันเจ็บคนทุกจริงๆนะแต่ถ้ามีก็มีได้นะถ้ามีแบบมีผู้ที่มีปัญญานะจะเข้าใจเออมันก็สูงขึ้นนะแต่ไม่ใช่ว่าจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหรอกเราก็ต้องเรียนรู้ธรรมะปรับตัวปรับใจไปตามสภาพเนาะอันเนี้ยทำทานนะเรามันสลักถ้าใครทำทานจริงๆโอ้ให้ไปแล้วมีความสุขให้ไปแล้วสบายใจเนะี่ยของอะไรเรามีเยอะเราให้ไปสบายใจ บ้านเราก็ไม่ต้องเก็บมากมายดีใจเห็นคนเขาลำบากเราช่วยบริจาคสิ่งของไปเรามีความสุขนะคนน้าท่วมตกทุกได้ยากเราบริจาคของที่เราพอให้ได้เรามีความสุขไม่ต้องหวังว่าเราจะต้องได้อะไรนะรักษาศีลก็เหมือนกันนะรักษาศีลไปก็เพื่อความไม่ทุกข์นะ ไม่ใช่รักษาศีลแบบเข่งว่าฉันเก่งฉันดีกว่าคนอื่นรักษาศีลไปเพื่อความไม่ทุกข์ก็อย่างที่บอกว่าเช่นเราไม่ไปฆ่าสัตว์ไปฆ่าคนอื่นไปดังแกคนอื่นอยู่เนี่ย น, นะไปเบียดเบียนคนอื่นเลยเราสบายใจเลยเราไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปไปเบียดเบียนคนอื่นเนาะเอาสมมติถ้าเราเบียดเบียดเบียนสัสมมตว์มดมีงูตัวใหญ่มาเราเบีฆ่า แม่งูถามว่ารเราจะสบายใจไหมแม่งูมันตายแราก็กลัวพ่อมูมันจะมาในงานเราสมมตินนะใช่ไหมอืมเราไปโกงเขาเราจะสบายใจหรือเปล่าเราก็กลัวตำรวจจะมาจับได้ตัวคนจะรู้ว่าเราโกงเขามันไม่สบายใจนะเราไปผิดลูกผิดเมียผิดหัวเขาเราก็กลัวลูกเมียของเราหัวเราจะรู้จับผิดเนี่ย หือของเขาจะรู้เนี่ยมันไม่สบายใจมันเป็นความสนุกขนาดที่ได้ทําหรือเป็นความเพลิดเพลินในตอนที่ทําชั่วขณะแต่หลังจากนั้นจะไม่สบายใจเลย <c oughs> มันจะเป็นความทุกข์ที่มันตามมาเนะี่ยที่จริงเรารักษาศีลก็เพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์ใจภายหลังนี่แหละแล้วกันที่เรารักษาศีลเรา ก, ก็มันจะเป็นเหมือนความภูมิใจนะโยมเคยไหมแบบ มันอะไรมันอยากจะมันอยากจะทําผิดอ่ะเรายั้งไว้ได้นะตอนที่มันยั้งไว้ได้ตอนนั้นอ่ะมันอาจจะอึดอัดยมแต่พอมาคิดอีกทีโอเออพอมาคิดอีกทีเออวันนั้นดีวะ่ะนะตอนแรกเรว่าจะเห็นของมันตกเราว่าจะหยิบไปเอาเองอแต่พอคิดได้อีกทีเออพอคิดได้วันนี้ดีแล้วนะที่เราวันนั้นเราไม่เอานะเรา เลยสบายใจนะเอามาก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกนะแต่มันสบายใจที่วันนั้นเราได้ทําดีนะวันนั้นเราได้รับความช่วยมันเป็นความสุขแบบเนี้ย น, นะเป็นความสบายใจนะนั้นรักษาศีลจริงๆนะ่ะก็เพื่อตรงนี้เนาะถามว่าบ า, บางคนก็อาจจะหนีทุกนะเราคิดว่าเราเครียดเราไปกินเหล้ามันทําให้เราหายเครียดนะ แต่ฮกินเหล้ากับเพื่อนสนุกกลับมาบ้านเมียบนเมียดาเนี่ยมันทุกสนุกหรือเปล่าเนะี่ยะหาเงินหาทองได้วันละเป็นรนะ้อยเป็นพันเนาะเอาไปกินเหล้าวันละสองสามร้อยเนี่ยมันเสียไปว่าเปล่าหรือเปล่า เ, าเานะี่ยเราก็พิจารณาตัวดีๆนะเนะี่ยมีโยมคนหนึ่งนะเขาแต่ก่อนเขาก็กินเหล้าสูบบุหรี เล่นการพานันแล้วก็มีคนแนะนำเขาให้ทาแบบนี้ดูนะโยมไปลองทำก็ได้นะให้ลองจดบัญชีทุกวันเลยทุกรายการให้มีสมุดบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายโยมเขาก็ลองทำดูไปทำสมุดบัญชีทั้งรายรับรายจ่าย ปรากฏว่าพอทําได้สักประมาณเดือนสองเดือนมนะั้งถ้าจําไม่ผิดนะปรากฏว่าเขาสรุปเลยว่าคือบัญชีของครอบครัวนะให้เงินค่าบุหรี่ของเราเนี่ยมากกว่าค่าขนมลูกถ้ารวมทั้งค่าเล่นหวยค่ากินเหล้าค่าบุหรี่ด้วยเนี่ยมากกว่าค่าอาหารของคนทั้งครอบครัว เขาพอมาดูบัญชีมันมันถอนตัวเองเลยว่าเอ้อเราทีไ่ไปใช้คนเดียวแบบที่มันไม่ได้อะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยจริงๆเลยนะมันมากกว่าค่าอาหารของคนทั้งครอบครัวเลยนะพอเขาเห็นบัญชีแล้วเขาเลิกเลย <c oughs> เดกเพราะความรักครอบครัวแล้วก็อาจจะเนี่ยเห็นอ๋อเห็นนะแต่ก่อนไม่เคยเห็นเป็ น, ปนตัวเลขจริงๆนะก็ ไม่รู้ว่ามันใช้ไปเท่าไหร่เนาะแต่พอสรุปเป็นตัวเลขปรากฏว่าไอ้ที่เราใช้แบบแบบตามความชอบตามนะกิเลสของเราเนี่ยมันมากกว่าความจําเป็นอีกความจําเป็นอาหารเนี่ยมันต้องซื้อต้องหาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่เราใช้ไม่จําเป็นเนี่ยมันมากกว่าความจําเป็ น, นอีกเขาก็เลยคิดได้ก็เลยเก็บเงินเก็บทองเยอะขึ้นตอนนี้ก็ได้แบบอืมก็สบายละนี่ เลิกอาวัยยมุกต่างๆได้นะชีวิตก็สบายไปเลยนะมีเงินมีทองก็หาได้เท่าเดิมนั่นแหละนะแต่รายจ่ายมันน้อยกว่าเดิมมันก็เลยสบายใจอันเนี้ยถ้าเรามีศิล น, นะสีเรณสุขติิงยันติสีเรณโพกสัมปทานสีเรณ น, นิพุติิงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยศินนะนำมาซึ่งความสุขศินนำมาซึ่งโพกับทัพย์ ศีล น, นำให้ถึงนิพพานพนะระพุทธเจ้าบอกศีลเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยนะนะหรือแม้แต่เราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเนาะการภาวนาจริงๆก็ภาวนาไปเพื่อความไม่ทุกข์นะเพื่อพ้นจากความทุกข์ภนะาวนาไปเพื่อให้เห็นวัตทุกมันอยู่ตรงไหนนะเราดูนะแต่ที่มาบอกภาวนาเราเห็นทุกข์นะทุกข์มันเกิดขึ้นกับร่างกายเนะี่ยกายมันเป็นทุกข์ แต่ใจเราไม่เป็นทุกข์ก็ได้หรือที่เราสวดมนต์นะขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์รู้จักขันห้าไหมบางทีเราก็ที่ตั้งขันห้าเนี่ยเราไปเด็ดดอกไม้ทุกเทียนห้าผู่นะเราเรียกว่าขันห้าที่จริงขันห้าจริงเนี่ยตัวเราเนี่ยขันห้าไอ้ดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยเป็นอุปมาเฉยเพราะว่าตั้งขันห้าขึ้นขันห้านะ ถ้าเอากายวาจาใจของเราเนี่ยเนี่ยครบแล้วขันห้าไม่ต้องไปเอาดอกไม้ทุบเทียนก็ได้นะเนี่ยขันห้าคืออะไรรูปก็คือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้เนี่ยเนี่ยคือขันห้า ขันห้ามันไม่เที่ยงนะรูปก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นเวทนามันก็ไม่เที่ยงสุขสุขทุกๆนะแสดงเปลี่ยนไปเรื่อยๆสัญญาความจำต่างๆเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะลืมชื่อลืมของลืมนั่นลืมนี่แก่ไปก็เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ ไ, ไดนะ้ความคิดก็ไม่เที่ยงดูดีๆ ตอนจะนอนไม่อยากจะคิดมันก็ยังคิดคิดแล้วมันทุกข์มันก็ยังห้ามไม่ได้นะจะคิดให้สุขคิดให้บวกบางทีก็คิดไม่ออกเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นนะบังคับไม่ได้นะวิญญาณก็คือการรับรู้ตอนนี้เรารับรู้ได้ปกติแต่ต่อไปวิญญาณก็อาจจะหายไปต่อไปหูก็จะหนักไม่ค่อยได้ยินตาก็จะผ้าก็เห็นไม่ค่อยชัด เนก า, ารรับรู้นะเนี่ยหรือบางทีไม่แต่ไม่แต่ปกติเนี่ยนะแต่บางทีถ้าจิตเราไม่ปกติก็ได้รับรู้ผิดผิดก็ได้เห็นเขาทําแบบนี้นะเราไปตีความว่าเขากำลังจะทําอีกแบบหนึ่งก็ได้เ น, นี่ยพวกเนี้ย ม, มันไม่เที่ยงนะถ้าเราดูดีๆนะขันห้าของเรานี่ยแหละมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้ แต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้มันไม่มีขันห้านะเรายังต้องใช้ขันห้าแต่เรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราต้องรักษาเขาต้องดูแลเขาต้องอคล้ายๆเหมือนเราใช้รถนยนตเราใช้รถเราก็รู้ว่ารถมันต้องเสื่อมทุกวันต้องดูแลเขาน้ำมันเครื่องเช็คเครื่องเช็คล้อเช็คอะไรต่างๆ เราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่เราก็ต้องดูแลเขาให้มันพอใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลนะรถก็จะพาเราไปไปสู่ความทุกข์นะพันห้าเองก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดูแลจริงๆนะมันก็นําไปสู่ความทุกข์ใจการปฏิบัตินะเพื่อให้เราแยกให้ได้นะแยกให้ได้ว่าเวลาลูกมันทำงานนะ รูปมันเดินให้เรารู้เฉยเวลามันรู้สึกสุขหรือทุกข์เราก็แค่รู้มันหรือมันคิดอะไรนะเราก็แค่เห็นว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดไม่รู้พอเข้าใจั้ยแต่ก่อนนะเราคิดว่าเราเป็นคนคิดแต่ให้เห็นว่าจิตมันคิดของมันเองแบบนี้เนาะถ้าเราเห็นแบบนี้นะ มันจะมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ความทุกข์ยังมีนะความทุกข์เพราะความไม่เที่ยมก็มีอยู่ความทุกข์เพราะความแก่เจ็บตายก็มีอยู่ความทุกข์เพราะว่ามันจำไม่ได้ก็มีนะแต่มันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นตรงนี้แล้วเราจะเราจะพ้นทุกข์เพราะตรงนี้แหละนะพ้นทุกข์เพราะว่า เราไม่ไปยึดพันห้าเป็นตัวทุกข์นะอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูมันเห็นมันผิดเฉยนี่แหละคือการกระทําทั้งหลายของเรานะทานศีลภาวนานะการกระทําทุกอย่างของเรานะขอให้เป็นไปนะเพื่อการกระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทินเนี่ยถ้าเราอธิษฐานวันนี้นะนะตั้งใจทําแบบเนี้ย อาจะพิมทุกได้นะาะก็ฝากไว้